จะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนสากลคือไม่เลือกชนชาติวันหน้าเป็นคนประเทศไหนหรือนับถือศาสนาอะไรก็สามารถที่จะ รับเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้แม้แต่ไม่ใช่มนุษย์ก็ยังใช้ประโยชน์ได้คือเทวดาเป็นต้นถ้าเขาสามารถเข้าถึงคำสอนได้ถ้าเข้าถึงคำสอนไม่ได้เขาก็จะไม่สามารถ รับประโยชน์ได้เช่นสัตว์ในรฉานนี่เขาไม่สามารถเอาประโยชน์ของคําสอนของพระพุทธเจ้าไปใช้ได้เพราะเขาเข้าไม่ถึงคําสอนเพราะเขาไม่รู้จักภาษาของคําสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าคำสอนของพระพุทธเจ้ า, าได้มีการาแปลเป็นภาษาต่างๆชนชาติที่มีภาษานั้นก็จะเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เดิมทีนี้คำสอนของพระพุทธเจ้ามีเพียงภาษาเดียว คือภาษาบาลีในสมัยพุทธกาลต่อมาเมื่อมีการเผยแผ่คำสอนไปสู่ประเทศอื่นก็ได้มีการแปลคำสอนทางการเผยแผ่ธรรมะของพุทธศาสนานี้แบ่งเป็นสองสายด้วยกันสายเหนือกับสายใต้ สายเหนือก็ขึ้นไปทางเหนือของประเทศอินเดียขึ้นไปสู่ทิเบตไปสู่จีนมังกโกเลียไปสู่ญี่ปุ่นเกาหลีพอไปสู่ประเทศเหล่านั้นก็มีการแปลภาษาแปลคําสอนให้เป็นภาษาของประเทศนั้น ชนชาตินั้นก็สามารถเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ทางสายใต้ก็ลงมาทางประเทศศรีลังกาทางประเทศพมา่าประเทศไทยกมัมพูชาอันนี้ก็เป็ น, ปนการเผยแพร่ ด, ด้วยการ แปลคำสอนของพระพุทธเจ้าให้คนที่อยู่ในประเทศนั้นที่พูดภาษาคนละภาษาได้สามารถเข้าถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ต่อมาก็มีการแปลไปเป็นภาษาอื่นเมื่อมีการไปทางตะวันตกไปทางยุโรปก็มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ แปลเป็นภาษาเยอมันไม่ทราบเดี๋ยวนี้มีภาษาฝรั่งเศสหรือยมีไหมมีแล้วถ้ามีการแปลภาษาคนที่ใช้ภาษานั้นก็จะสามารถเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้และสามารถรับประโยชน์จากคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ พาอคำสอนของพุทธเจ้านี้สอนเกี่ยวกับเรื่องจิตใจและร่างกายที่เป็นสากลคือเหมือนกันหมดทุกชนชาติไม่ว่าจะเป็นชาติใดเผ่าใดก็มีร่างกายมีจิตใจเหมือนกันและเหมือนกับ เหมือนกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายเมื่อมีการค้นคว้าจากในประเทศหนึ่งพอค้นคว้าสำเร็จก็สามารถเอาความรู้นี้แปลไปเป็นภาษาอื่นให้ประเทศอื่นเขาได้เรียนรู้วิธีรักษาร่างกายพอเขารู้แล้วเขาก็สามารถเอาไปรักษาร่างกายได้ ทั้งทั้งที่เดิมทีก็เป็นการค้นคว้าของภาษาของภาษาหนึ่งของประเทศหนึ่งแต่การรักษาโรคของคนในประเทศนั้นก็เหมือนกับการรักษาโรคของคนในประเทศต่างๆเพราะร่างกายของคนทุกๆประเทศนี้มีธรรมชาติเหมือนกันจิตใจของคนเราก็มีธรรมชาติเหมือนกันมีปัญหาเหมือนกัน และมีวิธีแก้เหมือนกันพอคนแก้พบวิธีแก้ปัญหาของจิตใจคือพระพุทธเจ้าแล้วพอเอาภาษาของคนแก่นี้ไปแปลเป็นภาษาของประเทศที่อีกประเทศหนึ่งคนที่อยู่อีกประเทศหนึ่งก็จะสามารถเอาความรู้ของ คนที่ค้นคว้าที่อยู่อีกประเทศหนึ่งนี่มาใช้แก้ปัญหาของตนได้จิตใจของตนได้ดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จึงเป็นคำสอนที่เป็นประโยชน์กับมนุษย์ทั้งปวงมนุษย์ที่เกิดอยู่ในโลกนี้ถ้าสามารถเข้าถึงคำสอนได้ ก็สามารถที่จะรับประโยชน์จากคำสอนของพระพุทธเจ้าได้นะอันนี้คือความเป็นสากลเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้สอนเรื่องของกฎแห่งกรรมนะกฎแห่งกรรมนี้เป็นสากลไม่ ไม่ได้มีไว้ใช้กับชาวพุทธอย่างเดียวไม่เหมือนกฎหมายบางประเทศนี้เขาใช้แต่เฉพาะของประเทศของเขาถ้าไปอีกประเทศหนึ่งกฎหมายของประเทศนั้นก็อาจจะไม่เหมือนกับอีกประเทศหนึ่งก็ได้แต่กฎหมายคือกฎแห่งกรรมที่ใช้กับจิตใจนี่เป็นกฎหมายที่ใช้กับจิตใจของ คนทุกประเทศคนทุกประเทศมีจิตใจเหมือนกันหมดอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมเหมือนกันหมดกฎแห่งกรรมก็คือกฎที่แสดงถึงเหตุและผลของการกระทําต่างๆของจิตใจจิตใจเป็นผู้ทํากรรมด้วยความคิด พอคิดแล้วก็สั่งให้ร่างกายพูดสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆถ้าคิดดีก็จะพูดดีทดําดีพอได้คิดดีพูดดีทดําดีความสุขใจก็เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะนับถือศาสนาอื่นเช่นนับถือศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามหรือศาสนาฮินดูอ ถ้าใจของคนที่นับซื้อศาสนาเหล่านั้นคิดดีพูดดีทดําดีเอผลที่เกิดที่ใจของคนที่คิดดีพูดดีทดําดีก็เหมือนกันหมดเคยจะเกิดความสุขใจขึ้นมาอาในทางตรงกันข้ามอถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีอผลก็คือความไม่สบายใจก็จะเกิดขึ้นมาอม นี่คือสากลเป็นเรื่องสากลเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตใจของมนุษย์ทั้งปวงและรวมไปถึงจิตของสัตว์เดรัจฉานและของจิตใจที่ไม่มีร่างกายคือพวกเทวดากายทิพย์ต่างๆพวกนี้เขาก็อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมเหมือนกันเพราะจิตใจของเขา เหมือนกันตอนที่เขาไม่มีร่างกายก็เหลือแต่จิตใจแต่เราไม่ได้เรียกเขาว่าเป็นจิตใจเราเรียกเขาว่าเป็นดวงวิญญาณเป็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณกับจิตใจนี้เป็นตัวเดียวกันเวลามีร่างกายเวลาอยู่กับร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจ เวลาไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณภาษาอังกฤษก็แปลว่า SPIRIT เวลาไม่มีร่างกายก็เป็น SPIRIT เวลามีร่างกายก็เรียกว่ามายจิตใจเวลาอยู่กับร่างกายก็เรียกว่ามายเวลาไม่มีร่างกายก็เรียกว่า SPIRIT อัอนนี้คือเรื่องของจิตใจ ที่อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทุกจิตใจดังนั้นแม้แต่พวกจิตใจที่ไม่มีร่างกายคือพวกเทวดาก็ยังสามารถที่จะรับประโยชน์จากคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าพวกเทวดานี้ภาษาเขาเป็นภาษาเดียวกันคือเขาใช้ภาษาใจ เวลาพระพุทธเจ้าแสดงทำให้กับพวกเทวดาพระพุทธเจ้านี้ใช้ภาษาใจคือใช้ความคิดความคิดนี้เป็นภาษาสากลเวลาคิดนี้มันเป็นความคิดที่ไม่มีภาษาแล้วค่อยตองออกมาเป็นภาษาอีทีถ้าเราจะเอามาพูด แต่ถ้าถ้าไม่พูดนี้มันจะเป็นภาษาคิดภาษาคิดนี้มันยังไม่ได้เป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นปาภาษาฝรั่งเศสแต่พอมันจะมาพูดมันถึงมาแปลงเป็นภาษาอีกที่หนึง่งนี่คือเรื่องของจิตใจของจิตใจของคนทุกประเทศ ทุกชนิดจิตใจของสัตว์เดรัจฉานก็มีจิตใจเหมือนกับเป็นจิตใจเหมือนกับของมนุษย์ของเทวดาเพียงแต่ว่าจิตใจของแต่ละแต่ละชนิดนี้ของของแต่บุคคลแต่ละชนิดนี้เปลี่ยนบางทีก็ไปมีร่างกายของมนุษย์บางทีก็ไปมีร่างกาย ของเดลฉานบางทีก็ไม่มีร่างกายเพราะว่าเป็นผลของเกิดจากการกระทาของจิตใจในขณะที่เป็นมนุษย์ขณะที่เป็นมนุษย์ถ้าคิดดีพูดดีทำดีจิตใจก็จะมีความสุข มีความเจริญเวลาจิตใจคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีจิตใจก็จะมีความทุกข์มีความเสื่อมคำ ว, ว่าเสื่อมก็คือการอยู่ในฐานะที่ต่ำจิตใจนี้มีมีแบ่งเป็นฐานะเป็นชั้นกรรมเป็นผู้จัดสรร ให้อยู่ในชั้นสูงหรือชั้นต่ําถ้าคิดดีพูดดีทําดีมากก็จะจิตใจก็อยูใ่ในระดับที่สูงมากถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีจิตใจก็จะอยู่ในที่ในระดับที่ต่ํามีความทุกข์มากยิ่งต่ำํำก็ยิ่งมีความทุกข์มากยิ่งสูงก็ยิ่งมีความสุขมาก ความสูงต่ำนีว่วจากความสุขของกาของของจิตใจแต่ละดวงที่เกิดจากการกระทำของจิตใจแต่ละดวงนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจที่ไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเช่น นับถือศาสนาอื่นแล้วไม่เชื่อกฎแห่งกรรมสมมุติหรือพวกที่ไม่มีศาสนาแล้วไม่เชื่อในกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมก็ยังมีผลต่อผู้ที่เชื่อหรือไม่เชื่อถ้าคิดดีพูดดีทำดีจิตใจก็จะมีความสุข ถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีจิตใจก็จะมีความทุกข์แล้วจิตใจก็จะขึ้นสูงลงต่ำไปตามการคิดดีพูดดีทำดีหรือการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดี น, นี่คือไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจ ะ, ะเชื่อหรือไม่เชื่อกฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นกฎที่ตายตัว ที่มีผลต่อจิตใจทุกดวงถ้าจิตใจคิดแล้วก็ก็จะต้องมีผลตามมาจิตใจของคนทุกคนนี่จะคิดกันตลอดเวลาแล้วความคิดก็จะคิดไปสามทางด้วยกันคิดไปในทางที่ดีบ้างคิดไปในทางที่ไม่ดีบ้างคิดไปในทางกลางๆ คือดีก็ไม่ใช่ไม่ดีก็ไม่ใช่เป็นความคิดที่อยู่ระหว่างความคิดที่ดีกับความคิดที่ไม่ดีพอคิดแล้วก็มีการสั่งให้ไปพูดไปทำทางร่างกายต่อไปความคิดที่ดีเป็นอย่างไรคือการความคิดที่จะทำให้ผู้อื่นมีความสุขที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ความ เดือดร้อนของผู้อื่นนี้เราเรียกว่าเป็นความคิดที่ดีพอเราคิดเราเห็นคนเดือดร้อนเช่นมีภัยธรรมชาติน้ำท่วมไฟไหม้เขาเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีเสื้อผ้าไม่มียารักษาโรคไม่มีอาหารเราก็ช่วยกันบริจาคเงินทองข้าวของให้ไปช่วยเหลือ ด้วยการพูดทางวาจาว่าจะขอบริจาคเงินเท่านั้นเท่านี้หรือชวนให้เพื่อนฝูงคนรู้จักไปช่วยกันแล้วก็ตัวเองก็บริจาคข้าวของเงินทองของตนให้ต่อการช่วยเหลือผู้อื่นนี่คือการกระทําความดีพอทําแล้ว ความสุขใจก็จะเกิดขึ้นมาในทางตรงกันข้ามถ้าคิดไม่ดีก็คือคิดไปในทางที่จะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเสียหายคิดทำร้ายผู้อื่นไม่ชอบเขาโกรธเขาเกลียดเขาก็เลยอยากจะทำให้เขาเจ็บ ทำให้มีความเสียหายหเกิดขึ้นกับตัวเขาหรือทรัพสมบัติของเขาเช่นไปฆ่าไปรักทรัพย์อย่างนี้เรียกว่าเป็นการกระทําที่ไม่ดีเป็นการคิดที่ไม่ดีพอคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีแล้วก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความไม่สบายใจขึ้นมา อันนี้เกิดขึ้นกับใจของทุกๆคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหนก็ตามหรือไม่มีศาสนากฎแห่งกรรมนี้ก็จะให้ผลเหมือนกันกับทุกๆทุกๆดวงใจทุกๆคนของทุกๆคนแล้วอันนี้เป็นเพียงแต่ผลที่เราสามารถเห็นได้วัดได้ แต่ยังมีผลที่ตามมาอีกที่เราไม่สามารถเห็นได้หรือวัดได้นอกจากถ้าเรามีความสามารถพิเศษคือถ้าเราสามารถเข้าถึงตัวใจได้ตอนนี้พวกเราส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงตัวใจตัวที่คิดเราเข้าถึงแต่ตัวร่างกายเราอยู่ที่ตัวร่างกายกัน และบางทีเราไม่รู้เสียด้วยซ้ำว่าใจนั้นอยู่ที่ไหนเข้าถึงใจได้อย่างไรและบางทีก็อาจจะคิดว่าใจนี้อยู่ในสมองก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายหรืออาจจะคิดว่าพอร่างกายตายไปใจที่อยู่ในสมองก็ต้องตายไปกับร่างกายดังนั้นผลที่เกิดจากการทำดี หรือไม่ดีนี้ก็ไม่มีไม่มีต่อไปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วแต่ความจริงที่ผู้ที่สามารถเข้าถึงจิตใจได้นี้เขาจะเห็นว่าเขาจะรู้ว่าจิตใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันเป็นคนสองคน มาอยู่ติดกันเหมือนกับแฝดสยามไซมิสทวินมายน์แอนด์บอดี้เป็นสองคนเวลาที่ร่างกายตายไปใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายและความดีหรือความชั่วที่ทำไว้ที่ยังมีอยู่ในใจนี้จะส่งยังจะส่งผลให้กับใจต่อไป ใจจึงไปเกิดใจจึงไปเป็นดวงวิญญาณที่ดีและไม่ดีดวงวิญญาณที่มีความสุขหรือมีความทุกดวงวิญญาณที่มีความสุขเราก็เรียกว่าพวกเทวดาทั้งหลายพวกพรหมดวงวิญญาณที่มีความทุกเราก็เรียกพวกนรกพวกเปรดพวกอสุลกายอันนี้เป็นสิ่งที่ คนที่มีความสามารถเข้าถึงใจจะเห็นได้ว่าใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายว่าใจนี้แยกออกจากร่างกายตอนที่ร่างกายตายแล้วใจนี้ก็จะเป็นดวงวิญเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขหรือมีความทุกข์มีสุขมากสุขสุขมากสุขน้อย ทุกมากทุกน้อยเพราะการกระทำความดีกับการกระทำความไม่ดีนี้มีไม่เท่ากันดวงวิญญาณบางดวงทำความดีมากก็จะมีความสุขมากดวงวิญญาณที่ทำความดีน้อยก็มีความสุขน้อยดวงวิญญาณที่ทำบาปทำความไม่ดีน้อยก็มีทุกน้อยดวงวิญญาณที่ทำ บาปมากก็จะมีทุกมากนอันนี้เป็นสิ่งที่ศาสนาอื่นนี้บางศาสนาไม่เข้าไม่เข้ า, เ ข, าเข้าไม่ถึงเข้าใจว่าถึงแม้จะมีดวงวิญญาณดวงวิญญาณเมื่อตายไปแล้วสำหรับบางศาสนาก็ว่าไปรวมอยู่กับพระเจ้าองค์นั้นองค์นี้ เวลาตายไปแล้วถ้าเป็นดวงวิญญาณที่ดีก็ไปอยู่กับพระเจ้าถ้าเป็นถ้าเป็นดวงวิญญาณที่ไม่ดีก็ไปอยู่ในนรกเราก็คิดว่าก็จะอยู่ไปอย่างนั้นไปตลอดแต่ทางศาสนาพุทธนี้พระพุทธเจ้าที่ได้ส่งเข้าถึงดวงวิญญาณนี้กลับเห็นว่า เวลาที่ตายไปแล้วนี้ดวงวิญญาณก็จะอยู่เป็นดวงวิญญาณที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไปแต่จะไม่อยู่แบบนั้นไปตลอดต่อไปก็จะกลับมาได้ร่างกายมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาทาบุญทาบาปใหม่ต่อทำไมถึงทำให้ดวงวิญญาณที่ตายไปแล้วถึงกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ก็เพราะว่าดวงวิญญาณทุกดวงนี้ยังมีความอยากอยู่มีความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่มีความอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยาก เ, าเป็นมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงมีความอยากเป็นและอยากไม่เป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่อยากเป็นไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตาย ความอยากทั้งสมนี่เป็นตัวที่ทำให้ดวงวิญญาณที่ไม่มีร่างกายจะคอยไปหาร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อยๆพอที่ไหนมีการสร้างร่างกายอันใหม่ขึ้นมาเวลามีการแต่งงานกันเวลามีการร่วมหลับนอนกันก็จะมีการสร้างร่างกายอันใหม่ดวงวิญญาณที่ต้องการร่างกายอันใหม่ก็จะไปเข้า เข้าไปจับจองร่างกายอันใหม่ทำให้มีการตั้งคันขึ้นมามีการแล้วพออยู่ในคันจเจริญเติบโตในคันได้เต็มที่แล้วก็ต้องคลอดออกมานี่คือดวงวิญญาณพอคลอดออกมากับร่างกายดวงวิญญาณก็เรียกว่าจิตไปจิตใจ นี่คือเรื่องของธรรมชาติของจิตใจที่จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าตราบใดยังไม่ได้หยุดความอยากต่างๆถ้ายังมีความอยากต่างๆอยู่ความอยากนี้จะพาให้จิตใจนี้ไปหาร่างกายอยู่เรื่อยๆมีร่างกายใหม่อยู่เรื่อยๆไปเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆ เพื่อจะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการมาเกิดเพราะการมาเกิดนี้ก็จะต้องเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายของร่างกายแล้วก็เจอการสูญเสียเจอการพัดพาก จากสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆที่เรารักกันหรือต้องไปเจอกับสิ่งต่างๆเหตุการณ์ต่างๆหรือบุคคลต่างๆที่เราไม่ชอบแล้วก็ต้องดิ้นรนกับการเลี้ยงดูร่างกายต้องทำมาหากินหาไรายได้มาจุนเจือมา ดูแลเลี้ยงดูให้ร่างกายอยู่ได้การเกิดนี้จึงเป็นการมาหาความทุกข์กันทั้งๆ ท, ที่ความคิดของใจคิดว่าจะมาหาความสุขกันเพราะคิดว่าถ้ามีร่างกายแล้วมีตาหูจมูกลิ้นกายอยากดูอะไรก็ดูได้อยากฟังอะไรก็ฟังได้ พอได้ดูได้ฟังในสิ่งที่อยากดูอยากฟังก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่มันเป็นความสุขที่ไม่ถาวรเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวความสุขที่เกิดตอนที่ได้เห็นได้ได้ยินได้ฟังพอผ่านไปแล้วความสุขนั้นก็หมดไปก็ต้องคอยหามาอยู่เรื่อยๆต้องคอยหาอะไรมาดูมาฟังอยู่เรื่อยๆ ถึงจะมีความสุขและเวลาใดาที่ไม่สามารถหาสิ่งต่างๆมาดูมาฟังได้เวลานั้นก็จะไม่มีความสุขเวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่คนฉลาดจะเห็นคนไม่ฉลาดนี้จะไม่เห็นคนฉลาดคนไม่ฉลาดจะเห็นเพียงครึ่งเดียว เห็นว่ามาเกิดนห้ดีจะล้องวันเกิดกันใหญ่ให้เรามาเกิดอยากจะให้อยู่กันไปนานๆอยากจะให้มีความสุขกันมากๆ Happy Birthday กันแต่ไม่เขียนว่า s u uh, f f e i n g Birthday กันมา้าง No Happy Birthday เพราะว่า ร้องห่มร้องไห้กันอยู่เรื่อยไม่ใช่เลยเดี๋ยวก็ทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้แล้วจะมาบอกว่าแฮปปี้เบิร์ a เดย์ได้ยงไงมันไม่แฮปปี้อย่างเดียวมันซัฟเฟอร n g ิงเบิร์ y เดย์ด้วยแฮปปี้แอนด์ซัฟเฟอร์ลิงเบิร์เดย์แต่คนในโลกนี้ไม่ยอมมองส่วนที่เป็นทุกข์ที่มีอยู่ในโลกนี้พยายามลืมมันพยายามไม่คิดถึงมัน พยายามคิดแต่ถึงความสุขเพราะเขาว่าคิดถึงเรื่องดีแล้วจะมีความสุขไม่จริงหรอกคิดถึงเรื่องดีมันก็ไม่สามารถหนีเรื่องไม่ดีได้เรื่องไม่ดีมันก็ตามมาอยู่ดีเพราะธรรมชาติของสิ่งต่างๆในโลกนี้มันชอบพลิกไปพลิกมาอยากดีมันก็พลิกไปไม่ดีอยากไม่ดีมันก็พลิกกลับมาดีมันพลิกไปพลิกมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา จะไปสั่งให้มันดีอย่างเดียวไม่ได้ถึงแม้จะไม่ไปคิดถึงเรื่องไม่ดีเดี๋ยวมันก็ต้องเกิดเดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องให้เสียใจเดี๋ยวก็ถูกคนนั้นดา่าคนนีน้คนนี้ว่าหรือไม่เช่นนั้นก็ถูกคนนั้นโกงถูกเขากลั่นแก้งถูกเขาหลังแกมีเหตุการณ์ต่างๆที่เราไม่ต้องการ การไม่คิดถึงเหตุการณ์เหล่านั้นไม่ได้ทาให้เหตุการณ์เหล่านั้นหายไปไม่ให้เกิดเพราะวามันไม่เกี่ยวกับความคิดความคิดมันเกี่ยวกับการกระทำของเราเท่านั้นถ้าเราคิดดีเราก็จะกระทำดีถ้าเราคิดดีทำ ด, ด, ด, ทดีผลก็จะดีคือความสุขใจที่จะเกิดนะถ้าอยากจะใช้ความคิดผลิตความสุขให้คิดในการกระทำคิดว่าเราจะทำดีจะพูดดี พอเราคิดดีพูดดีทำดีความสุขใจก็จะเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่ต้องการที่จะเจอความทุกข์ใจเราก็อยากคิดไม่ดีอย่าไปพูดไม่ดีอย่าไปทำไม่ดีแล้วความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดอันนี้เป็นเรื่องของความคิดแต่เรื่องที่ไม่ให้คิดถึงเรื่องที่มันจะต้องเกิดนี้ไม่ได้ไปห้ามไม่ให้มันเกิด ใช่ไหมคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายแล้วความแก่ความเจ็บความตายมันจะไม่เกิดมันไม่มันไม่เป็นไปไม่ได้ความแก่ความเจ็บความตายมันก็เกิดไม่ว่าเราจะคิดถึงมันหรือไม่คิดถึงมันคนบางคนคิดว่าพอไปคิดแล้วมันจะเกิดขึ้นทันทีคนบางคนจึงไม่ชอบใช้คําว่าตายกันไม่ยอมพูดถึงคําว่าตายกันเพราะพูดถึงคําว่าตายแล้วกลัวว่าเดี๋ยวตัวเองจะตาย เหมือนกับสาบแช่งตัวเองแต่ความคิดเหล่านี้ไม่สามารถทำให้ร่างกายตายหรือไม่ตายได้ร่างกายจะตายหรือไม่ตายอยู่ที่ไหนหรู้เปล่าอยู่ที่ลมหายใจนี่แหละถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นนะถ้ายังหายใจได้อยู่ก็ยังไม่ตายถ้าอยากไม่ตายหายใจไปเรื่อยๆรับรองได้จะไม่มีวันตายแต่จะมีแรงหายใจหรือเปล่าเท่านั้น พต่อไปร่างกายแก่ลงไปแก่ลงไปแรงที่จะาหายใจปอดที่จะบีบบีบลมหายใจเข้าออกมันก็ไม่มีกำลังพอไม่มีกำลังมันก็ไม่สามารถที่จะดูดลมเข้ า, าดันลมออกได้ถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็ตายม่อนั้น อ, อันนี้เป็นสิ่งที่ เกี่ยวข้องกับจิตใจของพวกเราพวกเราจึงต้องมาศึกษาธรรมชาติความเป็นความความจริงของจิตใจของพวกเราว่าอะไรทำให้จิตใจของพวกเราทุกอะไรทำให้จิตใจของพวกเราสุขอะไรทำให้จิตใจของพวกเราไม่ต้องกลับมา เวียนไหวตายเกิดกันถ้าเราเบื่อและถ้าเรากลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายเราก็ต้องไม่มาเกิดเท่านั้นถ้ายังมาเกิดอยู่ก็ยังต้องต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายอยู่เสมอถ้าไม่อยากจะมาเกิดก็ต้องหยุดเหตุที่พาให้มาเกิดกันเหตุที่พาให้มาเกิดก็คือความอยากนี่ ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลถภอความอยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากไม่ยากจนอยากไม่เจอเหตุการณ์ต่างๆที่เลวร้ายทั้งหลายความอยากเหล่านี้จะทำให้ใจดิ้นดิ้นไปหาร่างกายอันใหม่พอร่างกายอันนี้ ตายไปก็จะดิ้นไปหาร่างกายอันใหม่ต่อพระพุทธเจ้าจึงสอนถ้าใครอยากจะมีความสุขใจไม่มีความทุกข์ใจก็ต้องทำสามอย่างคือทำกรรมดีให้คิดดีพูดดีทำดีแล้วจะมีความสุขใจถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ใจก็ระ ง, งับการกระทำไม่ดีอย่าทำบาป อย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเวณีอย่าพูดปดและอย่าทำสิ่งที่จะบังคับให้ใจต้องไปทำบาปคืออบายามุขนะครับอบายามุขนี้ถ้าไปทำอบายามุขแล้วเดี๋ยวอับจะจะถูกเหตุการณ์บังคับให้ไปทำบาปคือไม่ให้ดื่มสุรายามเมาเพราะดื่มสุราแล้วเวลาเกิดอารมณ์ไม่ดี จะยับยั้งความคิดที่ไม่ดีไม่ได้จะยับยั้งการพูดไม่ดีการกระทำไม่ดีไม่ได้ถึงแม้ว่าการดื่มสลายเองไม่เป็นบาปแต่จะเป็นตัวกระตุ้นให้จิตใจไปทำบาปได้ง่ายก็เลยต้องห้ามให้ไม่ให้ยุ่งกับอบายามุขเดิมสลายาเมาพอเดิมแล้วเมาเดี๋ยวเกิด ความโกรธขึ้นมาไม่พอใจใครก็จะไปทำร้ายเขาอันนี้ต้องห้ามอบายามุขอบายามุขนอกจากสุราแล้วยังมีอีกสี่ข้อด้วยกันอบายามุขข้อที่สองก็คือเล่นการพนัน <c oughs> เล่นการพนันถ้าเล่นแบบเอาจริงเอาจังถ้าเล่นแบบเล่นๆไม่เป็นไรนานทีปีหนเพื่อนฝูงเจอกันเล่นพอ เป็นปินกีฬาเล่นไม่ได้เอาเป็นเอาตายกันเล่นพอสนุกสนุกสนานอย่างนี้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้พูดถึงพวกที่คิดจะหาเงินเป็นอาชีพด้วยการเล่นการพนันพวกนี้มักจะต้องไปทาบาปต่อไปเพราะเวลาเล่นหมดมันก็ต้องหาเงินบางทีหาเงินไม่ได้ด้วยวิธี ทำงานไม่ไม่ได้ทํางานไม่มีไรายได้ก็อาจาจะต้องไปขโมยเงินของคนอื่นมาเล่นเอหรือไปโกหกหลอกลวงคนอื่นขอยืมเงินเขาแต่รู้ว่ายืมแล้วก็ไม่ไปคืนเข า, เอาพอรั่ว่ า, าเล่นเดี๋ยวมันก็หมดอกีก เ, อ, เ อ, อันนี้การเล่นการพ น, นันก็จะทําให้ไปทําบาปข้อที่สามอบายามุขข้อที่สามก็คือการเที่ยวตเตะ การเที่ยวนี้มีแต่การเสียเงินไปเที่ยวแต่ละครั้งนี้ต้องฟักกระเป๋าอย่างเดียวไม่มีรายได้ถ้าเที่ยวบ่อยๆเที่ยวจนติดเป็นนิสัยไม่ไม่คิดจะทําอะไรเอาแต่เที่ยวมันก็เงินทองต่อไปก็จะไม่พอใช้ก็เหมือนกับเล่นการพนันพอเงินทองไม่พอใช้แต่ยังอยากเที่ยวอยู่ ก็ต้องไปขโมยเงินหรือไปหาเงินโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นเหตุที่จะทำให้ไปทำบาปอาบายามุขข้อที่สี่ก็คือความขี้เกียจความขี้เกียจนี่ก็ไม่ดีเพราะขี้เกียจแล้วจะไม่ไม่ไปทำงานไม่ไปหาเงินหาทองจ้าแต่ใช้เงินใช้ทอง ถ้าใช้เรื่อยๆต่อไปเงินก็ไม่มีไม่มีก็ต้องไม่มีงานทำก็ไปขโมยไปทำอาชีพที่ที่เกิดโทษตามมาไปทำผิดกฎหมายไปค้ายาเสพติดไปทำอะไรไปรับจ้างฆ่าคนก็มีบางทีพวกคนที่ไม่มีอาชีพไม่มีไรายได้ก็ต้องอาศัยการทำบาปเป็นอาชีพอ่าบายมุขข้อที่ห้าก็คือ อย่าไปคบกับคนที่ชอบอบายามุกอย่าไปชอบคบกับคนที่ชอบเดิมสุราเพราะถ้าไปคบเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะชวนเราไปเด่มสุราอย่าไปคบกับคนที่ชอบเล่นการพนันอย่าไปชอบคบกับคนที่ชอบเที่ยวเตะอย่าไปคบกับคนที่เกียรติข้า น, <c ups> ข, านขี้เกียจเพราะเขาจะชวนเราทาตามที่เขาชอบ เขาชอบเที่ยวเขาก็จะชวนเราเที่ยวเขาชอบขี้เกียจเขาก็จะชวนเราให้ขี้เกียจนะถ้าไปคบกับเขาแล้วเดี๋ยวเราก็จะเป็นเหมือนเขาแล้วเราก็จะต้องไปทำบาปต่อไปถ้าเราละเว้นอบายามุขได้การจะทำบาปนี้ก็น้อยลงไปมากแต่ยังไม่หมดนะถ้าอยากจะไม่ทำบาปนอกจาก ละเว้นอบายมุกแล้วก็ต้องมาถือศีลห้าหต้องถือศีลให้ได้ต้องบังคับตัวเองว่าไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่กระทำห้าข้อนี้อย่างโดยเด็ดขาดสี่ข้อนี้โดยเด็ดขาดคือไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดถ้าสามารถบังคับใจได้ความ ทุกความไม่สบายใจต่างๆที่เกิดจากการกระทำบาปจะไม่เกิดขึ้นอันนี้เป็นกฎสาลกฎแห่งกรรมไม่ทำบาปแล้วจะไม่เกิดความทุกข์ใจทำความดีแล้วจะเกิดความสุขใจช่วยเหลือคนนั่นช่วยเหลือคนนี้ ให้ความสุขกับคนนั่นให้ความสุขกับคนนี้เห็นเขามีความสุขเห็นเขาหายจากการเดือดร้อนเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาอนี่คือวิธีหาความสุขหาความสุขด้วยการทำความดีต่างๆ อ, อันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าสองข้อแล้วข้อที่สาม ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายมาทุกข์กับปัญหาต่างๆที่มีเวลาที่เกิดเนี่ยก็ต้องไปหยุดความอยากทั้งสามนี้หยุดความอยากหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายอย่าไปอย่าไปหาความสุขวิธีจะทำให้หยุดการหาความสุขได้ก็ต้องฝึกหัด จิตใจใหม่สอนจิตใจให้หยุดคิดหยุดอยากตอนนี้จิตใจเรารู้จักคิดรู้จักอยากแต่ไม่รู้จักหยุดมันถ้าเป็นรถก็เหมือนกับมีแต่คันเร่งไม่มีไม่มีเบรกจะไปเหยียบคันเร่งอย่างเดียวจะให้รถมันวิ่งไปอย่างเดียวแต่จะให้รถหยุดนี้หยุดไม่เป็นเราหยุดจิตใจเราไม่เป็นกัน หยุดความคิดหยุดความอยากกันไม่เป็นเพราะเราไม่มีสิ่งที่จะมาหยุดความคิดหยุดความอยากได้นั่นเองสิ่งที่จะหยุดความคิดหยุดความอยากได้น้เราเรียกว่าสติ word, ถ้ามีสติเราจะสามารถเวลาเราคิดอะไรแล้วเราอยากจะหยุดคิดเราก็สั่งให้มันหยุดได้เวลามันอยากได้อะไรเราสั่ง เราสามารถถ้าเรารู้ว่ามันอยากแล้วทาให้เราวุ่นวายใจเราก็สั่งให้มันหยุดได้ถ้าเราสั่งให้มันหยุดแล้วมันไม่หยุดก็แสดงว่าเรายัางไม่มีสติพอเราก็ต้องมาฝึกสติมาสร้างสติกันการฝึกสติสร้างสติก็คือเราต้องบังคับใจให้เราคิดอยู่กับเรื่องเดียวให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวให้อยู่กับ คำบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปก็ได้ให้อยู่กับการกระทําของร่างกายก็ได้ให้เราเฝ้าดูการกระทําของร่างกายทุกทุกขั้นของการเคลื่อนไหวทุกอิริยาบทของการเคลื่อนไหวถ้าเราสามารถบังคับใจให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ได้เราจะหยุดความคิดหยุดความอยากได้ แล้วถ้าเราหยุดความคิดหยุดความอยากได้เราก็จะสบายใจเพราะว่าตัวที่ทำให้เราไม่สบายใจนี้ก็คือความอยากของเรานี่เองถ้าสังเกตดูเราจะรู้ถ้าไม่สังเกตเราจะไม่รู้เวลาเราไม่สบายใจนี้ส่วนใหญ่เกิดจากความอยากของเราอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันไม่เป็นตามความอยากเราเร า, าก็ไม่สบายใจถ้าเราไม่มีความอยากเราจะไม่รู้สึกไม่สบายใจจนตอนนี้เราไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ i. I. I. I. เรานั่งอยู่ที่นี่ฟังแต่ธรรมะเราก็เลยลืมเรื่องของคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไปความไม่สบายใจ เกี่ยวกับคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เลยไม่เกิดขึ้นมาในตอนนี้อันนี้คือความอยากที่ทำให้ใจของเราไม่สบายพอเราหยุดความอยากได้หรือไม่ให้ไปคิดถึงความอยากสิ่งที่ทาให้เราอยากได้ความอยากก็จะไม่เกิดพอไม่เกิดใจเราก็เย็นสบายจะเย็นมากเย็นน้อยก็อยู่ที่ว่าเรา หยุดมันได้มากหยุดมันได้น้อยถ้าหยุดอยากจะหยุดความคิดให้ได้เต็มที่เราก็ต้องนั่งนิ่ ง, งๆเฉยๆแล้วก็บังคับให้ใจเราอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่กับลมหายใจไปหรืออยู่กับคำบริกรรมพุทโธไปถ้าเราสามารถบังคับให้มันอยู่แล้วไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ได้เดี๋ยวใจจะหยุดเต็มที่เลยนิ่งสนิท หยุดเต็มร้อยแล้วจะพบกับความเย็นความสบายเต็มร้อยขึ้นมามช่วงที่เราไม่ได้นั่งแต่เราฝึกสติตอนนั้นเราก็จะมีความเย็นความสบายแต่อาจจะเป็นห้าสิบห้าสิบยังไม่มากแต่ก็ดีกว่าตอนที่ไม่มีสติเลยมีแต่ความร้อนตลอดเวลาร้อนวุ่นวายใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้พอเรามาพุโทโธพุโทโธพุโทโธ เราก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้น้อยลงแต่ก็ยังอดที่จะคิดไม่ได้คิดไปบ้างพอคิดไปเรามีพุโทโธก็ดึงกลับมาก็ดึงไปดึงมาตอนนั้นจิตก็ร้อนห้าสิบเย็นห้าสิบสลับกันไปแต่ถ้าเราสามารถดึงจิตให้มาอยู่กับพุโทโธได้มากขึ้นเส้นเจ็ดสิบสามสิบนี้จิตก็จะเย็นมากขึ้นความร้อนก็จะน้อยลงไป ดึงไปดึงมาอย่างนี้กิเลสตันหาความอยากเรามันจะดึงให้เราไปหาความร้อนกันมันจะอยากได้นั่นได้นี่อยากมีนั่นมีนีอนนนนอนน่อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้คนนี้เป็นอย่างนี้ใจก็จะร้อนขึ้นมาพอเรารู้สึกตัวว่าเอ้เรากาลังทาให้ใจเราร้อนด้วยความคิดของเราเราก็หยุดมันด้วยพุโทโธไป พุโทโธพุโทโธพุทโธอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้พอดึงมาได้มันก็จะเริ่มเย็นลงเย็นลงไปเรื่อยๆอันนี้แหละคือตัวที่เราจะต้องมาฝึกกันให้มากคือตัวสตินี่เองตัวนี้ตัวเดียวที่จะทําให้ใจเรานี้หยุดคิดได้ไม่ใช่ปัญญาปัญญานี้จะสอนให้เราเอา เข้าใจว่าทำไมเราต้องหยุดความอยากแต่ตัวปัญญานี้มันจะหยุดความอยากไม่ได้ถ้าได้ปัจนนี้พวกเราก็หยุดความอยากกันได้หมดนะบอกให้คิดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะหยุดความอยากได้แต่เราคิดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันก็ยังหยุดความอยากไม่ได้คิดว่าถ้าไปทาตามความอยากเราจะทุกข์เราก็ยังอยากจะทาอยู่คิดว่าถ้า ไปมีแฟนแล้วจะทุกข์ก็ยังอยากมีแฟนอยู่เพราะอยู่คนเดียวแล้วมันเหงาแต่ถ้าเรามาทำใจให้สงบได้ใจเรามีสมาธิมีสติแล้วใจเรามีความสุขเราก็สามารถที่จะใช้ปัญญาสอนใจว่าไปมีแฟนแล้วจะมีเรื่องจะต้องมีปัญหาตามมาเราก็ไม่ไปดีกว่าอยู่กับความสงบอยู่กับสมาธิดีกว่า ดนันก่อนที่เราจะไปทางปัญญาได้เราต้องมีสมาธิก่อนถ้าไม่มีสมาธิห้ามมันยังไงสอนมันยังไงบอกมันยังไงมันก็ไม่ฟังเห็นไหมเด็กๆเนี่ยที่โตขึ้นมานี่พ่อแม่ต้องคอยห้ามเลยเลยอย่าไปเที่ยวอย่าไปมีแฟนห้ามมันยังไงมันก็ยังหนีไปมีจนได้อยู่ดีเพราะว่ามันไม่มีความสุขในตัวเองมันคิดว่าต้องไปมีแฟนถึงมีความสุข ถึงแม้นักปราชญ์จะบอกว่าการมีแฟนเป็นความทุกข์มันก็ไม่เชื่อเพราะว่ากว่าจะทุกข์มันสุขก่อนไงเวลาได้เจอแฟนได้อยู่ใกล้แฟนได้เห็นหน้าแฟนแล้วโอ้เหมือนได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นมันถึงไม่เชื่อว่าจะทุกข์ไม่มีใครเชื่อว่ามีแฟนแล้วจะทุกข์แต่งงานแล้วจะทุกข์เนี่ยทุกคนคิดว่าสุขใช่หไหมแต่ดงานแต่งงานใหญ่โตมโหรานะแล้วก็มาอยากันทีหลังไหย นนเพราะว่าปัญญามันเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงใจของคนที่ยังไม่มีสติที่จะหยุดความอยากได้ยังต้องสร้างสติให้หยุดความอยากให้ได้ก่อนถึงแม้ว่าจะเป็นการหยุดชั่วคราวมันจะทำให้ใจนี้มีความสุขแล้วจะได้รู้ว่าการอยู่คนเดียวนี้ดีกว่าการที่จะไปอยู่กับแฟน อันนี้อย่างนั้นปัญญานี้จะช่วยสอนให้ใจนี้กลัวกับการที่จะไปมีอะไรแต่ถ้ายังไม่มีสติไม่มีสมาธินี้มันใจมันไม่กลัวมันกล้ามันกล้ากับความทุกข์มันเพราะมันไม่เห็นความทุกข์มันเห็นแต่ความสุขที่ลอยอยู่ข้างหน้ามันไม่มีเห็นความทุกข์ที่ซ่อนอยู่ข้างหลังความความสุขมันไม่เห็นเงาของความสุข เห็นแต่ตัวสุขแต่ไม่เห็นเงาของความสุขคือความทุกข์ที่มันติดตามมาตลอดเวลาอันนี้จึงต้องใช้สติก่อนใช้สติทาใจให้หยุดความอยากให้ได้ก่อนพอหยุดความอยากได้ถึงแม้ว่าเป็นการหยุดชั่วคราวแต่พอจะต้องการหยุดก็สั่งมันหยุดได้นี่พอหยุดมันชั่วคราวได้แนละ้วทีนี้เราถึงมาใช้ปัญญา มาสอนใจว่าทําไมเราไม่ควรไปทําตามความอยากสอนด้วยเหตุผลเพราะความอยากมันเกิดจากอารมณ์เกิดจากความหลงที่ไปเห็นแต่ความสุขเพียงด้านเดียวไม่เห็นอีกไม่เห็นความทุกข์ที่ตามมาด้วยทีพอมีปัญญามาสอนว่าได้ความสุขแล้วก็จะมีความทุกข์ตามมาเพราะมันจะต้องมีการพัดพรากจากกาันมีการเปลี่ยนแปลง ทีนี้ถ้ามีสติที่หยุดความอยากได้พอปัญญาสอนเหตุผลเราก็ใช้สติหยุดความอยากไม่ไปทำตามความอยากดีกว่าเพราะการไม่มีความอยากนี่มันมีความสุขอยู่แล้วแล้วอยู่ดีๆไปหาความสุขจากความอยากทำไมช่วเอาหาความสุขจากการหยุดความอยากดีกว่าต่อไปก็จะไม่ทำตามความอยากเมื่อความอยากไม่ได้รับการตอบสนอง มันก็จะหมดกําลังไปเองต่อมา ม, มันก็จะไม่มีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่อยากได้คนนั้นคนนี้อยู่แบบไม่มีอะไรกับมีความสุขกว่าอนะ่นี่คือเรื่องของการที่เราจะหยุดความอยากห ย, หยุดการมาเกิดแก่เจ็บตายได้ต้องหยุดด้วยสติและปัญญาสติจะทาให้เกิดสมาธิเกิดความสงบเกิดความสุข ที่จะทำให้เราเห็นว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ดีกว่าความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากเพราะการทำตามความอยากเป็นความสุขไม่แน่นอนเป็นความสุขที่มิจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปแล้วจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราต้องการที่จะดับความทุกข์เราก็ต้องไม่ทำตามความอยาก เพราะเวลาทําความอยากแล้วมนใจมันจะทุกข์ขึ้นมาต้องเป็นขั้นเป็นตอนไปถ้าเรามีสติแล้วพอฟังทำเข้าใจแล้วว่าอย่าไปอยากเนี่ยแล้วถ้าเราหยุดความอยากได้ไม่ทําตามความอยากได้เราก็เราก็ไม่ต้องไปปฏิบัติอะไรแล้วเช่นคนบางคนเขามีสติมาก บอพระพุทธเจ้าสอนเพียงคำสองคาว่าออย่าไปอยากเห็นอะไรก็ให้เฉยเฉยได้ยินอะไรก็ให้เฉยเฉยเขาก็เข้าใจเขาไม่ เ, เขาก็เฉยเข า, เเข า, เเขาตัดความอยากต่างๆได้เขาก็สําเร็จได้บรรลุได้ขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องไปนั่งฝึกสติเพราะเขามีสติอยู่แล้วเขาหยุดความอยากได้เขาบังคับให้ใจอยู่เฉยเฉยได้ ถ้าเรายังบังคับใจให้อยู่เฉยๆไม่ได้นี่เอาปัญญามาสอนยังไงมันก็ไม่ยอมอยู่เฉยๆอยู่นี่เหมือนสอนเด็กไหมสอนเด็กไว้ให้นั่งเฉยๆอย่าซนเนี่ยสอนได้ไหมสอนได้แต่มันทําตามได้หรือเปล่าทำไม่ได้เออเพราะว่าเด็กมันไม่มีกําลังที่จะทําให้ตัวมันนั่งอยู่เฉยๆได้เอมันไม่เข้าใจว่าทําไมต้องนั่งอยู่เฉยให้มันทํานู่นทํานี่แล้วมันรู้สึกมันมีความสุขกว่าให้มันนั่งอยู่เฉยเออ เพราะว่าเขาไม่มีกำลังถ้าเด็กคนไหนมีกำลังให้อยู่เฉยๆพอเราะะบอกให้อยู่เฉยๆเขาก็าอยู่อยู่เฉยๆได้สแสดงว่าเขามีเขามีสติมากเด็กบางคนสอนง่ายบอกให้ทำอะไรก็ทำตามได้เพราะาเขามีสติที่จะควบคุมใจให้ทำตามที่ถูกสอนได้แต่เด็กบางคนนี้ไม่มีสติที่จะห้ามความอยาก ทำอะไรต่างๆถึงแม้จะถูกสอนถูกบอกว่าอย่าให้ทำก็ยังทำอยู่ห้ามไม่ไปเที่ยวก็ยังหนีไปเที่ยวห้ามไม่ให้ไปมีแฟนก็แอบไปมีแฟนเพราะว่าเขาไม่มีสติที่จะหยุดความอยากของเขาได้แต่เด็กที่หยุดได้แสดงว่าเขามมีสติพอที่จะหยุดพอที่จะทำตามคำสั่งของผู้ใหญ่ได้ ผู้ใหญ่บอกให้เรียนหนังสือดูหนังสือก็จะดูหนังสือเรียนหนังสือผู้ใหญ่บอกไม่ให้ไปเที่ยวก็ไม่ไปเที่ยวอย่างนี้เขาก็มีสติแต่ยังไม่มีสติในระดับที่จะทําให้เขาหยุดความอยากทั้งหมดได้อันนี้พูดเปรียบเทียบให้ฟังเรื่องของสติกับเรื่องของปัญญาก่อนที่จะใช้ปัญญาสอนใจได้อใจต้องมีกําลังทําตามคําสอนของปัญญาให้ได้ ถ้าไม่มีกำลังสอนไปก็เสียเวลาเปล่าๆสอนไปเดี๋ยวก็ไปทำตามความอยากเหมือนเดิมงันต้องม า, มาฝึกจิตให้มีกำลังหยุดความอยากให้ได้ก่อนแล้วพอปัญญาสอนว่าทำไมไม่ควรทำตามความอยากก็จะได้เลิกทำโดยเด็ดขาดเลยนี่คือเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สามารถใช้กับ จิตใจของสัตว์โลกทั้งหมดได้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์มนุษย์ประเทศไหนชนชาติไหนมีจิตใจเหมือนกันอยู่ภายใต้กฎของกรรมเหมือนกันนอกจากมนุษย์แล้วพวกที่ไม่มีร่างกายพวกเทวดาก็ก็อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมเหมือนกันเพวกสัตว์เลี้ยงางพวกพวกกายทิพย์ที่อยู่ในสภาพที่ไม่ดีก็อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขา บางพวกไม่มีสติพอที่จะมานั่งฟังธรรมได้จิตวุ่นวายกับความทุกข์ต่างๆตลอดเวลาถ้าจิตเป็นพวกที่สงบพวกที่เย็นพอนั่งฟังเทศฟังธรรมได้ก็จะสามารถมารับฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้ถึงแม้ไม่มีร่างกาย ถ้ามีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสามารถติดต่อกับดวงวิญญาณที่ไม่มีร่างกายได้สามารถสอนดวงวิญญาณที่ไม่มีร่างกายได้ฉะนั้นขอให้เราเข้าใจว่ า, าศาสนาพุทธนี้เป็นาศาสนาสากลศาสนาที่ใช้ได้กับคนทุกชนิดถ้ามีจิตใจแล้วใช้ได้ทั้งนั้นใช้ไม่ได้ก็กับพวกต้นไม้ใบหญ้านี่พวกนี้ก็ไม่มีจิตใจ ของที่เป็นวัตถุนี้ไม่สามารถที่จะเข้าถึงคำสอนได้เพราะวัตถุเขาไม่มีจิตใจก็ไม่มีผู้รู้ผู้คิดถ้าที่ไหนมีผู้รู้ผู้คิดนี้สามารถที่จะเข้าถึงคำสอนและรับผลประโยชน์จากคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างพวกเรานี่โชคดีที่มีคำสอนเป็นภาษาไทยเราไม่ต้องไปเรียนภาษาอื่น แต่ว่าเราจะมีศรัทธาความเชื่อหรือไม่ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี้มีคนมีประโยชน์กับเราเป็นอย่างมากถ้าเราไม่เห็นหรือเราไม่เชื่อเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์ถึงแม้ว่าเราจะเกิดมาอยู่ในเมืองพุทธก็ตามถึงแม้เราไม่ได้อยู่ในเมืองพุทธแต่ถ้าเราได้สัมผัสได้คําสอนแล้วเกิดศรัทธาความเชื่อว่ามีผลมีประโยชน์ เราก็ยังสามารถบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาอยู่ที่เมืองพุทธได้อันนี้อยู่ที่ว่าใจของแต่ละคนนี้เห็นคุณค่าเห็นคุณประโยชน์ของคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ถ้าเห็นเขาก็จะสามารถรับประโยชน์ได้ถ้าไม่เห็นเขาก็จะไม่ได้รับประโยชน์เรื่เราต้องทำตัวของเราถ้าตอนนี้ยังไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาเราต้องพยายาม ศึกษาให้มากศึกษาให้เข้าใจว่าคุณพระพุทธศาสนามีคุณค่าอย่างไรวิธีที่จะศึกษาก็ต้องศึกษาคนที่เห็นคุณค่าจากคนที่เห็นคุณค่าแล้วเขาจะบอกเราอย่างถูกต้องทำให้เร า, เ, าเชื่อและเห็นคุณค่าตามที่เขาพูดได้ถ้าเราไม่ได้เจอโอกาสที่จะเห็นคุณค่าอาจจะไม่มีก็ได้ เราก็ต้องพยายามศึกษาไปเรื่อยๆศึกษาจากคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงที่ยังมีบันทึกไว้อยู่ในพระไตรปิฎกอันนี้ถ้าศึกษาไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็อาจจะเห็นคุณค่าขึ้นมาถ้ายังไม่เห็นคุณค่าก็อย่าหยุดพยายามศึกษาต่อไปจะรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วก็จะเห็นคุณค่า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 เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัฏปติอิชิตังปฏิตังตุ მ หังคิปเมวะสมิิตยโตสัพเพโปเรนโตสังกปา จันโทปนาราโสยถามณิโชติราโสยถาสพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตารายสุขีทีขายุโกภวา พิวาทะนส<ถ>ีดิสานิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมวะทานติอายุวโนสุขังภาลาวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ วันนี้ f a c e b o o สามร้อยสามสิบเก้าสองร้อยสามวิทยุออนไลน์ยี่สิบสองผู้รับฟังบนเขายี่สิบสองรวมทั้งสิ้นห้าร้อยแปดสิบหกค่ะวันนี้สองสาวันนี้ Facebook ต่ำกว่าเกณฑ์นหน่อยธรรมดาประมาณสี่ร้อยหรือใกล้สี่ร้อยทั้งที่สามร้อยกว่านิดๆก็เลยไม่ถึงหกร้อย เห็นธรรมดาจะถ้าเฟซบุ๊กขึ้นถึงเกือบสี่ร้อยนี่ก็จะเทงเั็นสังเกตว่าเฟ e บุ๊กนี่หายไปไหนไปรู้ใครอยากจะถามคำถามตอนนี้ถามได้นะเห็นพระอาจารย์ครับคือเวลาผมพยายามนั่งสมาธิอะครับพูดใกล้ๆหน่อยเนี่ยเออผมอะแต่เจอสองปัญหาปัญหาแรกก็คือว่าตัวผมอะจะโยก โยกจนหัวทิมเลยอะครับแบบแสดงว่าไม่มีสติน <c oughs> ั่งต้องมีพุโทโธแล้วต้องดูลมอย่างน่าเฉยเฉยแล้วปัญหาที่สองอะครับก็คือประมาณว่าน้ำลายฮะมันมันจะออกมาเต็ม <c oughs> ปา<ะ>กไม่มีสติเหมือนกันทีนี้ผมก็พะวงว่ามันจะแบบจะไป <c oughs> สนใจมันเวลานั่งเราอย่าไปสนใจอะไรให้สนใจอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียว ก็คือผมไม่ต้องทําอะไรคือไม่ต้องใจะให้อยู่กับพุโทโธอย่างเดีย<ต>วใช่ไหมฮะถ้าอยู่พุโทโธไม่ได้ก็ลองสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ยาวๆไปอิตติ<ม>ปิโสภะกวาหลังสัมมาสวดในใจถ้ามีอะไรทำแล้วมันจะไม่ไปกังวลกับเรื่องน้ําลาย น, นั่งกายมันก็จะไม่โยกหรอกเียเรานั่งคุยกันทั้นี้ไม่เห็นโยกเลยใช่ไหม พอเรานั่งเฉยๆมันเหมือนคนจะหลับคนไม่มีสติควบคุมจิตจิตมันก็เลยทำไปตามภาษาเหมือนมันอยากจะโยกร่างกายมันก็โยกไปมันเคยโยกมันก็จะโยกร่างกายไปมันเคยคิดถึงน้ำลายมันก็จะคิดถึงน้ำลายอยู่นะงั้นเราต้องมีอะไรคอยดึงใจอย่าให้มันไปคิดถึงน้ำลายอย่าปล่อยให้มันไปโยกร่างกาย ให้มันอยู่กับพุโทโธพุทโธไปถ้าพุโทโธมันสั้นไปก็สวดบทยาวๆไปก่อนสวดอิติปิโสภักาวาสวดไปหลายๆจบสวดใจกันทั้งใจเบาเยน็นสบายแล้วค่อยมาดูลมหายใจหรือมาพุโทโธอย่างเดียวก็ได้ขอบครับแต่แต่อย่านั่งโดยไม่มีสติเพราเดี๋ยวจะเป็นบ้าได้ต่อไป คจุ๊บหรือไขขอขอเรียนขอเรียนอนุญาตค่ะพระอาจารย์คือเวลานั่งสมาธิแล้วเวลาถึงตอนที่สงบมากๆอะค่ะจะทำยังไงให้อยู่อย่างนั้นไปนานๆนะคะก็ใช้สติคอยคอยคุมย้ายมันคิดเนี่ยพอมันคิดก็ต้องหยุดมันพอมันเริ่มคิดก็พุทโธพุทโธแล้วบังคับให้มันดูลมต่อไปแล เวลาเจอเหตุการณ์ที่ทําให้ตกใจค่ะอย่างเหตุการณ์เมื่อวานนะฮะก็ใจเรามันเป็นใจยังไม่มีสติพอไงสติน้อยนมีอะไรมากระ <c oughs> ทบมันก็สะดุ้งขึ้นมาแต่ถ้ามันสะดุ้งแป๊บแล้วมันกลับมาเป็นปกติก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้ามันยังใช้เวลานานแสดงว่าสติเราน้อยเราก็ต้องใช้สติให้มันหยุดได้พอมันยังสะดุ้งอยู่เราก็มันยังสั่นอยู่ก็พุโทโธพุโทโธไป แล้วเดี๋ยวมันก็จะหายสั่นเร็วขึ้นแต่การห้ามไม่ให้มันสะดุ้งไม่ได้เพราะบางทีมันเป็นเรื่องของแบบกระทันหารมันจิตมันก็ต้องมีปฏิกิริยาไปตามธรรมชาติอะไรมากระทบนี้แบบไม่ไม่ได้ตั้งตัวมันก็ต้องสะดุ้งกันทั้งนั้นแต่สะดุ้งแล้วดูว่ามันจะสะดุ้งแล้วจะหยุดเลยหรือว่าจะจะยังจะสั่นยังจะวุ่นวายต่อไปถ้าวุ่นวายก็แสดงว่าต้องใช้สติหยุดมันก็ต้องฝึกสติให้มากกว่านี้เออ ถ้ามีสติแล้วบางทีมันจะแค่สะดุ้งปับแล้วมันก็หยุดกลับขอบพระคุณค่ะพระ อ, อาจารย์โอเคคำถามจากคุณจีนจากทางไลน์ค่ะ หากเราเป็นสะพานบุญแนะนําคนที่ทำบุญกับพระสุปฏิปันโนแต่คนนั้นเขาไม่ได้มีความศรัทธาในตัวพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์นั้นและมีมโนกรรมวัจีกรรมกับท่านจะเป็นวิบากกับตัวเราในฐานะสะพานบุญอย่างไรคะ อ, อ๋อไม่ดีหรอกเรามีเจตนาที่ดีเราบอกเพื่อนฝูงว่ามีเพชรอยู่ตรงนั้นแต่ถ้านก็เห็นเพชรวันนั้นว่าเป็น อ, อ่าเป็นของปลอมเขาไม่ยินดีก็เรื่องของเขาี่ คำถามข้อต่อไปจากคุณสิริค่ะการมตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหามันจะเกิดในจิตวนไปทั้งสามตัวหรือคะหรือมันเกิดตัวเดียวแล้วจบไปไม่เกิดเป็นกระบวนการทั้งสามตัวจนครบค่ะมันไม่พร้อมกันหรบางเวลามันก็การมะตันหาบางเวลามันก็ภาวะตันหาบางเวลาก็วิภาวะตันหาแล้วแต่เหตุการณ์ต่างๆ เวลาอยู่คนเดียวมันก็หิวกับรูปเสียงกลิ่นรัดเวลาไม่มีอะไรมันก็อยากจะมีอะไรเวลาไม่ได้เป็นอะไรมันก็อยากจะเป็นอะไรหรือเป็นแล้วไม่พอใจอยากจะเป็นมากกว่า น, นี้ก็มีพอเป็นในสิบแล้วก็อยากจะเป็นในร้อยแต่ไม่ไม่เคยอยากจะกลับไปเป็นพลานะมีแต่อยากจะเป็นขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อย คำถามข้อต่อไปจากคุณมงคลสูงสุดค่ะทำไมได้ยินเหมือนเสียงสมองดังเปรียปร้ยะเป็นบ่อยบ้ากเจ้าค่ะขอความเมตตาให้สภาวธรรมลูกด้วยเจ้าค่ะออไม่ต้องไปสนใจว่าทำไมให้รู้มันเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันหรือว่ามันเกิดแล้วมันดับไปถ้ามันไม่มาทำรบกวนเราไม่มาทำอะไรให้เราเสียหายก็ถือว่าเป็น <c oughs> เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราก็แล้วกัน คำถามข้อต่อไปจากคุณยิ่งพันค่ะการละสกายทิฐิมีวิธีฝึกปฏิบัติอย่างไรครับเมื่อละได้แล้วจะรู้สึกอย่างไรจะทราบได้อย่างไรครับว่าจิตละสกายทิฐิได้แล้วจริงๆก็ต้องเห็นว่าร่างกายเราเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวนึ่ง เราเป็นคนใช้ตุ๊กตาตัวนี้เราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นเหมือนหุ่นยนต์ที่เราสั่งให้มันพาเราพาเราไปดูไปฟังไปกินไปดื่มอะไรแต่เราไม่ได้กินเราไม่ได้ดื่มเ ร, เราดูมันกินใช่ไมเวลาร่างกายกินเราได้กินหรือเปล่าเราไม่ได้กินเพเียงแต่เรารู้ว่ามันกินแล้วเราก็สัมผัสกับความรู้สึกที่ได้จากการกินเท่านั้นเอง ก้อยเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นเหมือนคนควบคุมหุนนห่นยนต์หุ่นยนต์นี้มันก็ไม่ได้เป็นตัวเราเห้อเวลาอะไรจะเกิดขึ้นกับหุ่นยนต์เกิดขึ้นกับร่างกายเราก็ต้องไม่ไปโวยวายไม่ต้องไปเดือดร้อนมันจะเป็นอะไรถ้าดูแลมันได้ก็ดูแลไปดูแลไม่ได้ก็ปล่อยมันไปใจเราจะไม่วุ่นวายกับร่างกายจะไม่ทุกข์กับร่างกายจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย ถ้าเราไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเราก็ปล่อยวางร่างกายนะเราเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เป็นตัวเราของเราคำถามข้อต่อไปจากคุณคีค่ะเราต้องรู้ทุกข์รู้สุขใช่ไหมคะพระอาจารย์มารู้อยู่แล้วไม่ใช่ต้องรู้เพียงแต่ให้รู้ว่าอะไรเป็นเหตุของความทุกข์อะไรเป็นเหตุของความสุขตอนนี้เรารู้สับเรารู้เรารู้ไม่ตรงกับความเป็นจริง เหตุที่เป็นความทุกข์เรากลับไปเห็นว่าเป็นเหตุของความสุข เหตุที่เป็นเหตุของความสุขเรากลับไปเห็นว่ามันเป็นเหตุของความทุกข์เราก็เลยไปสร้างความทุกข์อยู่เรื่อยๆเพราะเราคิดว่าเหตุนี้ทำให้เรามีความสุขก็คือความอยากต่างๆเราคิดว่าถ้าเรามีความอยากแล้วเราก็จะได้มีความสุขเพราะไม่มีความอยากเราก็ต้องไปหาสิ่งที่เราอยากได้เพราะเราอยากได้แล้วเราก็จะมีความสุขเ้วก็จะเห็นแค่ตรงนั้นเราไม่เห็นต่อไปว่าแล้วพอสิ่งที่เราได้มามันจากเราไปมันจะกลายเป็นอะไร นันเรามองไม่เห็นตรงนั้นเราไม่เห็นว่าความอยากที่เราคิดว่ามันเป็นเหตุของความสุขมันกลาบเป็นเหตุของความทุกข์เสียมากกว่าต้องเห็นตรงนี้ถึงจะเห็นจริงต้องเห็นว่าเหตุที่ทาให้เราทุกข์นั้นก็คือความอยากต่างๆเหตุที่ทำให้เราสุขก็คือไม่มีความอยากนั่นเอง คำถามข้อต่อไปจากคุณชนาค่ะกราบนมศ ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกเป็นแพทย์ประจำ ICU จึงได้พบผู้ป่วยอยู่ในระยะสุดท้ายของโลกไม่มีทางในการรักษาบ่อยครั้งซึ่งเมื่อไม่รักษามีการรักษาต่อได้ลูกจะคุยอาการกับญาติผู้ป่วย และผู้ป่วยถ้าเขายังมีสติเพื่อตัดสินใจในระยะสุดท้ายของตนว่าต้องการยื้อชีวิตด้วยยาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการปั้มหัวใจหรือไม่ไม่ทราบว่าการกระทําเช่นนี้เป็นบาปหรือไม่คะและญาติที่ตัดสินใจ ย, ยุติการรักษาแทนผู้ป่วยถือเป็นบาปไหมคะ อ, อ๋อไม่บาปหรอกถ้าเป็นความจริงเราพูดไปตามความเป็นจริงว่าออการรักษานี้ถึงขั้นสุดท้ายแล้วหรือยงัง รักษาต่อไปก็ไม่สามารถทำให้ฟื้นทำให้กลับมาเป็นปกติได้ทำได้ก็เพียงแต่ให้นอนเป็น เ, เป็นเจ้าหญิงเจ้าชายบนเตียงด้วยอาศัย เ, เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆอันนี้เราก็บอกก็ได้แต่ผู้จะต้องตัดสินใจก็คือตัวคนไข้เองหรือตัวผู้ที่ดูแลว่าเขาจะเอาอย่างไรเขายังจะให้รักษาต่อเราก็รักษาไป เขาหยุดการรักษาแล้วก็หยุดการรักษาการหยุดการรักษาไม่ได้เป็นการทําบาปเพราะเราไม่ได้ไปฆ่าเขาเขาตายด้วยการที่เราเขาไม่สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้ด้วยตัวของเขาเองทั้งนี้ไม่ถือว่าเป็นการทําบาปเรื่องของการหยุดการรักษานี้คําถามข้อต่อไปจากคุณนิมิตค่ะสุดท้ายนวันนี้ค่ะ กรณีบุคคลมีพฤติกรรมช่อโกงคอรัปชันขณะเดียวกันก็นําเงินไปทําบุญทําทานคนเหล่านี้จะได้รับผลบุญผลกรรมเป็นอย่างไรคะก็ได้ทั้งสองอย่างบุญก็ได้บาปก็ได้มันได้ทั้งสองอย่างนฉะนั้นจะจะได้มากได้น้อยอยู่ที่ว่าทําบุญมากกว่าบาปหรือทำบาปมากกว่าบุญถ้าบาปมากกว่าบุญมันก็จะได้ ผลลับบาศจะมากกว่าบุญมันก็จะติดลบพูดง่ายๆถ้าทาบุญมากกว่าทาบาอมันก็จะได้ผลบวกมากกว่าผลลบอยานั้นก็มันเป็นสองบัญชีไงมันไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ลบล้างกันทบาบาปมันก็มีติดลบไปทำบุญมันก็ติดบวกไปแล้วก็เอาบวกกับลบนี่มาบวกลบกันตอนตายว่าอันไหนจะมากกว่ากันถ้าบาปมากกว่าบุญ บาปก็จะพาไปก่อนพาร่างกายไปรับบาปก่อนพาจิตใจไปรับบาปก่อนถ้าบุญมีมากกว่าบาปก็พาไปรับบุญก่อนแต่บาปก็ยังมีอยู่พอบุญพอบุญน้อยกว่าบาบเมื่อไหร่บาปก็จะพาไปรับบุญต่อเวลาเช่นเดียวกับบาปถ้าบาปมากกว่าพาไปก่อนพอบุญมีมากกว่าบุญก็จะเดึงใจกลับไปรับผลบุญต่อ มันก็จะสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้ังกว่าเราจะหยุดมาเกิดเท่านั้นบุญกับบาปถึงจะไม่มีอิทธิพลต่อการก็ต่อการเวียนว่ายตายเกิดของเราอีกต่อไป